บทที่สิอิสระภาพและความอ่อนน้อมถ่อมตนอิสระสองประเภทในโลกเรานี้เราจะพบว่า มีความเป็นอิสระอยู่สองประเภทคืออิสระที่จะอยากและอิสระจากความอยากวัฒนธรรมตะวันตกยุคใหมน่นี้รู้จักแต่อิสระภาพชนิดแรกนั่นคืออิสระที่จะอยาก และบูชาความเป็นอิสระนั้นโดยยกมันขึ้นนำหน้าทีเดียวในรัฐธรรมนูญแห่งชาติตลอดจนกฎหมายสิทธิมนุษยชนเราสามารถพูดได้ว่าความเชื่อพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยตะวันตกส่วนใหญ่คือการปกป้องความเป็นอิสระของประชาชนที่จะสนองความอยากของพวกเขาให้มากเท่าที่สามารถจะมากได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าประชาชนในประเทศเหล่านั้นมักรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยจะเป็นอิสระเท่าใดนักความเป็นอิสระชนิดที่สองคืออิสระจากความอยากซึ่งได้รับการยกย่องเฉพาะในกลุ่มศาสนาซึ่งให้ความสำคัญกับความพอใจในสิ่งที่มีอยู่และความสงบสุข จากความอยากเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าในชุมชนที่อยู่อย่างเรียบง่ายและประหยัดเหมือนวัดของอาตมาผู้คนที่อยู่อาศัยรู้สึกถึงความเป็นอิสระอย่างชัดเจน